วันหันข้ายโยธายาข้าวันหั น, นวันกจเยนเชียงนะครับในทํามุนตอ่อาขอเปือแล้วมือเศ้าขอการมุค เ, เจ้าทุกทกรั บ, บจะไปเร่มือมุนในมืนอนี้นะครับคอ้มารับวิาทหลอกสลาการหมเรียนแล้วแต่ทำธุรกิจในสลาการมเรียนนี่ตัแต่เวลายิงล่านม เจ็ดโม ง, มมองตอน1่โมงตอพอจาก น, นุ่นอึมะกิจกรรมหน้าที่ผู้ประสงค์ปฏิการปกติพระเจ้าประสงค์ออกประป็นะบาดนี่กรณีจำเป็นออกส่วนหนาแน่นตั้งใจตั้งใจมั่งร่รมรวมทำทานทำบูนประสง์ขออกสนนาแน่นหน้ที่ของหนาแน่นจะรับ น, นิมนต์อะอาราธนานมิมนต์จังถูกตองอเป็น อยู่ื้อๆลูมันกปดูรี่พอฝนใกล้ไปกิตวัตรพอของพระเจ้ายกเว้นเฉพาะของตอนญาตโยมมันกิจตรถาราชนานิมนต์ตัวฉะนั้นสิ่งที่ก็กวนสำนึกไ ว, วก้เป็ น, นของเล็กยเนี่ยพระสงฆดูลูกเพียทำไหนพระดูแหลพระสงมีบาทตออกกิตวบาทแล้วมานั่งสาธานด้วยะเพราะฉะั้นมันก็ขั้น ปรัชนาในมณฑลงกตย้อมมีแลวเป็นสิ่งตีบตอกดังนั้นกเต้างกระตุนกระับจาบขอบคุณญาติโยมรัชนาในมณฑลประมาณเจ็ดโมงตรงจากสถานที่พักนาสมาธิภาวนาป็นทรภูมิกลมงประยะดเรื่อาหกโมงเคิงก็ได้ประมาณทำว่างสะอาดเกลียดสถานะในบริเวณสารา อ่ช่วงพอทกันท่นทีกัะบาดอ้าวันมี้น่ะับต่อไปรายชั้นขอบใจอ่